สถานีวิทยุกรใจาเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมะรับปรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูุ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมานั่งทุกวันพูดให้ท่านผู้ฟังฟังก็เรื่องราวธรรมะนั่นแหละโดยในแต่ละวันเราก็จะนําเนื้อหาเรื่องราวที่หลากหลายแตกต่างกันไปอย่างวันพูดอย่างนี้เราก็จะมา ตอบคำถามหรือว่าคุยเรื่องราวใดๆที่ท่านผู้ฟังได้ส่งมาได้พูดคุยเอาไว้ก็จะนำมาพูดคุยกันเรื่องรายที่ต้องการจะพูดคุยในช่วงของวันพุธนั่นคือส่วนที่เป็นการตอบคำถามต่างๆนี้เป็นการพูดคุยตรงนี้ก็เป็นการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเสียงที่ได้บันทึกเอาไว้ของรายการในตั้งแต่ช่วงรอบปีที่ผ่านมาของรายการธรรมารับรุณที่ตอนนี้เรากำลังแจกให้ท่านผู้ฟังอยู่ โดยถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะขอรับในกติกาก็ไม่ยากง่ายๆโดยส่งเป็นซองเปล่านะซึ่งซองเปล่านีนะ้ให้เป็นซองกันกระแทกโดยส่งเป็นซองกันกระแทกเป็นซองเปล่าขนาด A 4ติดสเต็มสิบหาบาทติดมาเลยติดมาให้เรียบร้อยเลยซองนี้ให้เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองจากหน้าถึงตัวเองแล ต, ต้องการให้ส่งไปที่ไหนเขียนให้มันถูกเขียนให้มันดีใส่รายละเอียดไว้ด้วย นะพัพซองนี้มาพับซอนี้มาใส่มาในอีกซองหนึ่งใส่มาในอีกซองหนึ่งซองข้างนอกนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นซองแการะดแรกไม่จําเป็นแต่เป็นซองธรรมดาก็ได้แล้วก็ส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพหน0่งศูู้เดิูนไปก็ฟังอีกครั้งหนึ่งนะอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตและแขวงดินแดงจังหวัดกรุงเทพ 100, มหานคร รหัสไรษณีศนยะ์ี่0ูนยนบงเล็บให้นิดหนึ่งว่ารายการธรรมะรับรุ่นก็รับ cd เมื่อเราได้รับจดหมายของท่านผู้ฟังแล้วเราก็จะเปิดซองนี่ออกดึงซองกันรกระแทกขนาด A4 ที่ท่านผู้ฟังส่งมาให้เนี่ยดึงออกมาในตรงนี้เราก็จะดูว่ามีสเตมติดไหมมีชื่อเขียนเรียบร้อยไหมถ้าเป็นดังนี้เราก็จะเอา cd เนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ฝากบุรุษไรส์ีส่งกลับไปให้ท่านผู้ฟัง เป็นแค่นี้ท่านผู้ฟังก็จะสามารถได้รับซีดีซึ่งในปีนี้เราก็จะมอบซีดีการปฏิบัติธรรมชุดใหม่ของหลวงพ่อดออรสอาธทิโตปาศูนชุดมักผลไม่พ้นสมัยให้ด้วยมีแผ่นโบนัสแผ่นที่สองแต่คือเป็นพระสูตรที่กาพระชาได้อ่านบันทึกเอาไว้ออกทางคลื่น fm 8 8ของทางเรียลไทยแลนด์ที่เป็นภาษาอังกฤษเสียงอ่านที่บันทึกพระสูตรต่างเหล่านี้ก็เป็นระบบ2ภาษา ก็ลองไปฟังกันดูนเป็นแผ่นโบนัสเป็นแผ่นพิเศษให้สองแผ่นแต่ทนตามขั้นตอนนี้ไม่ยากท่านผู้ฟังขอแกรกอีกนิด น, นึงว่าอย่าส่งสองเปล่ามาที่วัดป่าดอนหาโซเพราะว่ามันจะล่าช้าให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตเดินแดงกรุงเทพหน0่งศแต่ส่วนที่เป็นสิ่งที่เป็นคําถามเป็นปริศนียบัตรที่ต้องการถามคําถามเป็นจดหมายเป็นตัวเขียนน่าส่งพวกนั้นมาได้ ให้ส่งมาที่วัดป่าดอนหโศกเลขที่1หมู่แตําบลดอนไหาโศกอําเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีสี 4, 1, 1 3 0คือที่ข้าพเจ้าต้องมาพูดย้ําให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเพิ่งเมื่อวานนี้เองข้าพเจ้าได้รับซองจดหมายฉบับหนึ่งแล้วเขาก็เอาซองกันรกระแทกเนี่ยเขียนชื่อที่อยู่วัดติดสแตมตั้ง36มสิบหกบาทส่งมาชนิดที่อย่างด่วนที่สุดแต่ข้างในซองกันกระแทก ก็มีสเต็มสิบหาบาทแล้วก็กระดาษอยู่แผ่นหนึ่งกระดาษแผ่นนี้ก็เขียนว่าขอรับซีดีธรรมารบุนแล้วก็ใส่สแต็มมา15บาทใส่มาในซองกันกระแทกแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ส่งมาที่วัดโอยมันก็ไม่ได้นะสิท่านผู้ฟังแล้วเราจะเอาซองที่ไหนกลับส่งไปให้ท่านผู้ฟังก็ต้องไปซื้อซองมาใหม่เออยังดีส่งสแต็มมาให้ชื่อที่อยู่ตรงไหนละ่ะเอาก็ด้านหลังของซองก็ต้องมานั่งเกียนกันอีกะฉะ น, นั้นช่วยแบ่งเบาภาระของทางสถานีนิดนึง เพราะว่าปีนี้เราเตรียมแจกไว้ถึง 2,000 ชุดด้วยกันแต่ถ้าไม่พอเราก็จะไปทํำไม้เพิ่มก็คือว่าแจกไม่อัดนั่นแหละแต่ในช่วงเวลานี้เท่านั้นในช่วงถึงเดือนธันวาคมใ น, นปีพุทธศักราช2557ขอให้ท่านผู้ฟังได้ส่งมาแต่เราจะจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในการที่จะช่วยกันทําให้มันเสร็จสับภายในปีนี้ส่งให้ท่านผู้ฟังได้เรียบร้อยย้าอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังคือท่านผู้ฟังต้องมีสองซองด้วยกันโดยซองแรกเป็นซองกันกระแทกขนาด A 4 ซองที่2เป็นซองธรรมดาขนาดเท่าไหร่ก็ได้ที่มันจะพับแล้วใส่ซองแรกนี้เข้าไปได้เดีนะ๋ยวต้องมีสองแต่ซ อ, นะองแรกให้เขียนจาหน้าถึงตัวเองติดสเตมสิบหาบาทซองที่สองให้เขียนจาหน้าถึงสถานีวิทยุกชะายเสียงแห่งประเทศไทยนะเอาซองแรกเนี่ยใส่เข้าไปในซองที่2นะแล้วส่งมาที่นี่ตามที่ที่อยู่ที่ได้บอกเอาไวนะ้ทําอย่างนี้แล้วท่านจะได้รับซีดนะีคือจะไม่มีการล่าชาเดีนะ๋ยวต้องขออภัยทั้งวันที่ข้าพเจ้าจะต้องมาพูดย้ําอีกครั้งหนึ่ง เพื่อ้เกิดความเข้าใจจะได้ได้รับซีดีกันทุกคนแล้นั่นก็คือเรื่องของซและซึ่งปีนี้เราจะแจกทั้งหมด9แผ่นด้วยกันให้ทําอย่างที่ว่านี้เรื่องถัดมาก็เป็นการมาเยี่ยมเยียนของท่านผู้ฟังที่มาเยี่ยมเยียนข้าพเจ้าที่วัดป่าดอนไนโศในช่วงหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ยก็มีคุณครูนักเรียนจากโรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวันวิทยา อำเภอทวัตบุรีจังหวัด Riot, ไรอีส์ในได้แวะมาเยี่ยมเยียนที่วัดปานะ่าคณะคลุ่นักเรียนมาก็เกือบร้อยคนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีคุณสายพุทธจากภาคใต้นุ่นจากจังหวัดตรังก็เดินทางมาพบที่วัดปาด่าดอนไหโ่โศกยังมีคุณยิ่งยงจากจังหวัดนนทบุรีพันตํำรวจโทสมเกียรติเพชรพักดีจากจังหวัดเชียงใหม่ บุคคลต่างๆเหล่านี้ก็ได้แวะมาเยี่ยมเ ย, ยนที่วัดป่าดอนไหนสุกแล้วก็ได้ถามคําถามอะไรต่างๆเอาไว้และได้พูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมากันแต่จะฟังที่บ้านหรือว่าฟังที่วัดวก็ได้ทั้งนั้นท่านบวชฟังแต่คือสําหรับท่านบวชฟังที่อยากจะเห็นหน้าว่าผู้พูดคือพระภัยบูร์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบอกให้ได้แล้ก็มีตา2ตาจมูกก็อยู่ใต้ตานะข้างๆหน้าก็จะมีหูอยู่ก็ธรรมดาหน้าตาบุนคลทั่วๆไป เกินี้ไม่ได้พูดเล่นแต่ว่าต้องการจะบอกว่าคือถ้าสะดวกก็มาได้นะครับเจ้าก็ยินดีต้อนรับหรือว่าถ้าไม่สะดวกเราอยู่ที่บ้านเราก็ได้ฟังธรรมเหมือนกันแต่ถ้าตัณโมฟังเขียนมาขอรับซีดีแต่ก็เหมือนกับข้าพเจ้านั้นอยู่กับตัณโมฟังแต่แต่อยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นผู้ที่มีสติไม่ลืมหลงมีกายสงบระ ง, งับไม่กระวนกระวายมีสติตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวแต่มีการระลึกถึงพระพุทธพระธระรมพระสงฆ์นะ่นข้าพเจ้าก็เป็นพระสงฆ์ก็อยู่ตรงนั้นด้วย นะครับพระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแตนะ่เราก็เหมือนอยู่ใกล้กันแต่อนะยู่ใกล้กันโดยธรรมะถ้ามีโอกาสมาพบปะเจอๆกันนตะ่มันก็เป็นการดีพระบรุทธเจ้าก็เหมือนกันแนะที่ไหนที่ว่ามีพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบแม้ท่านก็อยากจะไปเยี่ยมอยากจะไปเจอแตนะ่ไม่ต้องพูดถึงเราไปคิดถึงคิดถึงหี่คิดถึงแน่แตนะ่ถ้ามีโอกาสได้ไปจะต้องไปให้เห็นให้เจอในะ่ภิกษุ ป, ประเภทนั้นที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันนี้คือพระบรุทธเจ้านะพระบรุทธเจ้า แลง้นบางทีเราฟังธรรมะแล้วเอออยากจะมาพบปะเจอเจอผู้พูดเรวก็มีโอกาสท่านผู้ฟังนะครับพระเจ้าก็จะไปแสดงธรรมนอกสถานที่วันนี้วันพุธที่29่สก้าก็จะไปแสดงธรรมที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสที่อยู่ที่สวนรถไฟอ่าบริเวณถนนพิพาววิรังสิตกรุงเทพมาหานครแต่ที่สวนรถไฟตอนเที่ยงตรงถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะไปพบปะเจอเจอไปที่นั่นก็ได้ กรุงเทพถ้าใกล้สำหรับบางคนสะดวกที่จะไปก็ไปพบกันได้แต่ตอนเที่ยงตรงที่หอจดหมายเหตุท่านพุทธทาสอยู่ที่สวนรถไฟกรุงเทพมหานครเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งพระเจ้าก็จะไปเทศอยู่ที่นั่นโดยรายละเอียดการเดินทางหรือว่าอะไรต่างๆนั้นสามารถที่จะติดต่อกุญชยาพิษได้ที่หมายเลข089 12แ 8, 8 12 4 9ก 089-124-8498 คุณจะยาพิษอันนี้คือวันที่29คือวันนี้ตอนเที่ยงตรงในที่กรุงเทพมานะร่อนแต่อีกสองวันข้าพเจ้าก็จะไปที่เชียงใหม่วันที่31แล้วก็วันที่1วันที่31ตุลาคมแล้วก็วันที่1พฤศจิกายนจะไปที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในวันที่31ตุลาคมก็จะไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาการมงครึ่งถึงเที่ยงตรงวันที่1พฤศจิกายน ก็จะไปแสดงธรรมที่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสวนดอกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่กำหนเวลา9 3มงครึ่งตเที่ยงตรงเหมือนกันโดยที่เชียงใหม่นี้ท่านผู้ฟังสามารถจะติดต่อกับดรจิรพร์ตั้งกิติพาพรได้ที่หมายเลข0814444393 0814444393ดรจิรพร์ หรือว่าด็อเตอร์ปุปภเวสพันธสีที่หมายเลข 084-042-5923 084-042-5923 นงั่นคือที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ก็จะมีอยู่สองสาันนี่แหละที่ข้าพเจ้าจะไปหาท่านผู้ฟังนะถ้าจะไปพบกันก็ไปพบกันที่นั่นได้ในวันนี้เรามีคำถามที่มาจากทางอินเทอร์เนต็ตเป็นคำถามของคุณแสงจันทร์ คุณแสงชันได้ถามยีบอกว่าถ้าเราไม่มีเวลาไปวัดแต่เราฟังธรรมะทุกวันนั่งสมาธิที่บ้านจะได้บุญหรือไม่ได้บุญหรือไม่ตามฝัง่งคิดว่าะก็ต้องได้สิเพราะว่าบุญเกิดที่วัดเหรอบุญไม่ได้เกิดที่วัดนะบางคนไปวัดเอากิเลสไปอวดกันแต่บางคนไปวัดกลับไปขโมยของบางคนไปวัดกับไปเบียดเบียนพระอย่างนั้นก็มีอันนี้ได้บาปเต็มๆแต่เพราะว่าบุญไม่ได้อยู่ที่วัด แต่บุญอยู่ที่ใจแต่ใจอยู่ที่ไหนใจอยู่ที่ใครอ่ะท่านูุฟังว่าอยู่ที่ข้าพระเจ้าข้าพรเจ้าก็มีใจของข้าพระเจ้าท่านบุฟังก็มีใจของท่านูุฟังเองนตบุญของท่านบุฟังก็เกิดที่ใจของท่านูุฟังแต่ถ้าใจเราอยู่ที่ไหนอย่างที่ว่าแต่ใจนั้นมีสติไม่ลืมหลงใจนั้นเป็นใจที่มีความสงบระงับกายที่ใจนั้นมันยึดถืออยู่เนี่ยเป็นกายที่ไม่กระวนกระบายจิตหรือใจนั้นตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนี่แหละ บุญเกิดตรงนั้นนะถามว่ามันจะมีสติตไม่ลืมหลงมีกายสงบระ ง, งับไมโครนกลามีจิตตั้งมั่นเป็นโรนมันเดียวได้เนี่ยฟังธรรมช่วยได้ไหมได้นั่งสมาธิช่วยได้ไหมโหทำไมจะไม่ได้ดีออกเดียนวะหรือว่าแม่แท่นให้ทานให้ทานจิตเรามีการลึกถึงการให้การบริจาคนั่นก็เป็นจากกานุสติเอาส ต, ติไม่ลืมหลงนี่ก็ถูกต้องนะได้บุญตรงนั้นเกิดบุญตรงนั้นนะเกิดบุญที่ใจของเรานะ่บุญเกิดจากการให้ทานก็มี บุญเกิจากการที่เรานั่งสมาธิก็มีบุญเกิดจากการที่เรารักษาศีลก็มีโอยอย่าพูดถึงเราอยู่บ้านนั่งสมาธิเลยตามฝัง่งตอให้อยู่ที่ทํางานแต่อยู่ที่ทํางานทํางานอยู่ต่อให้อยู่ที่โรงเรียนเรียนหนังสืออยู่ต่อให้อยู่ในครัวผัดกับข้าวอยู่ได้บุญทั้งสิ้นเพราะว่าจิตเราอยู่ด้วยตรงนั้นแต่ถ้าจิตเราอยู่ด้วยตรงนั้นเราระลึกถึงเรื่องที่ดีๆเราระลึกถึงเรื่องที่เป็นกุศลแต่เป็นทําเป็นวินยัยเรื่องที่มันจะไม่เป็นเหยื่อล่อของโลก ไม่เป็นเรื่องไปในทางกามแล้วเราก็มีสติตั้งเอาไว้ในการทํางานมีใจจดจ่อแต่ทํางานด้วยความขยันขันแข็งไม่คดไม่โกงทํางานด้วยความที่มีจิตโอบอ้อมารีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่พูดจาก็เป็นไปในทางกุศลมีสัมมาวาจารีพวกนี้เป็นบุญทั้งสิน้นเกิดบุญเกิดบุญเกิดบุญตลอดตลอดตลอดคนมีสติอยู่บุญที่เกิดนะั้นเราก็ไม่เมาแล้วก็มีสติไม่ลุ่มหลงไปในสิ่งนั้นอันนี้เราเกิดบุญได้ตลอด นะตรงนี้แหละตัวบังดีถึงอตประเด็น ด, ดีว่าเอ้ะแล้วจิตที่เป็นอารมณ์เดียวหรือใจที่เป็นอารมณ์เดียวเนี่ยแล้วไอ้จิตกับใจมันต่างกันยังไงอะไรความคิดที่เราไปคิดตรงนั้นตรงนี้มันมันต่างกันยังไงทําให้บางคนอาจจะสับสนว่าไอ้ละบุญมันอยู่ตรงไหนแเราจะคิดอย่างนี้คิดถูกไหมนี่เป็นคําถามที่สองของคุณบัวเหล่าที่3ที่ถามมาในที่นี้พอดีก็ตามว่าความแตกต่างกันระหว่างจิตใจแล้วก็ความคิดเนี่ยต่างกันอย่างไร เอาที่ท่านผูฟังฟังแล้วก็คิดตามใคร่ครวนตามเนีเรียกว่าเป็นความคิดแต่ความคิดนี้มันเกิดในไหนมันเกิดในใจเกิดในใจแล้วผู้ที่ไม่รู้ความคิดนี่คืออะไรคือจิตอืมสอย่างเรียบร้อยเลยนะอยู่ในอันเดียวกันหมดอังอีกครั้งหนึ่งเราคิดใคร่ครวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แต่เราคิดใคร่ครวนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แต่เป็นความคิดที่เป็นคําพูดก็ตามเป็นความคิดที่เป็นรูปภาพก็ตาม หรือเป็นความคิดชนิดที่เป็นรูปภาพก็ตามเนี่พวกความคิดนี้ภาษาที่เราเรียกก็คือสังคปะหมายถึงความดําริแต่ความดําริความคิดอาจจะเป็นวิตรงวิจารณ์พวกนี้เป็นสังกปะทั้งสิ้นเป็นความดําริเป็นความคิดแต่บางทีเป็นคําพูดความคิดเป็นคําพูดเช่นว่าถ้าเราจะคิดว่าเราจะพูดกับคนนี้อย่างนี้นี่เป็นคําพูดออกมาแต่ยังไม่ได้พูดนะยังไม่ได้พูดอันนี้ก็ยังเป็นความคิดอยู่ในใจหรือว่าเราคิดถึงสิ่งประดิษฐ์อย่างใดอย่างหนึ่ง มันเป็นเครื่องมือเป็นรูปภาพประเดต่างๆอันนั้นก็เป็นลักษณะความคิดที่เป็นรูปภาพอย่างเช่นถ้าข้าพเจ้าบอกว่าเอ้าช้างพูดถึงช้างถ้านผฟังเนี่ยจะไม่ได้คิดว่าเป็นชอช้างไม่โทสละอางงอูใช่ไหมจะไม่ได้คิดเป็นตัวหนังสืออย่างนั้นแต่คนเราคิดเป็นรูปภาพแล้วก็จะเห็นเป็นช้างบางคนเห็นเป็นช้างคนละสีเห็นช้างจากด้านหน้าด้านหลังบ้างมีงาไม่มีงาตัวเล็กตัวใหญ่ลูกช้างแม่ช้างแต่ละคนก็จะมีรูปภาพของตัวเองไม่เหมือนกัน อันนคือลักษณะของความคิดนะความคิดมีคนที่ไม่คิดมีไหมก็มีนะเช่นคนที่ทําจิตให้นิ่งสงบลงไปแตนะ่ความคิดไม่มีเลยมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวอุเบกขาเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะมันไม่เป็นภาพมันไม่เป็นคําพูดมันเป็นนิ่งไปเลยอย่างเงี้ยเป็นความนิ่งเฉยเป็นความวางเฉยนะไม่มีรูปภาพไม่มีคําพูดอยู่ในใจอันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความคิดแล้วใจคืออะไรแตนะ่ใจเนี่ยมาจากคําว่ามโนมโนนะ แตมโนนี่ไม่ใช่หมายถึงสัพท์ที่เดี๋ยวนี้เขาเอามาใช้กันว่าอย่ามโนอย่ามโนแต่อย่ามโนมโนี่หมายถึงอย่าไปคิดนึกเอาเองเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าใจในที่นี้ก็คือการรับรู้ของจิตที่เป็นไปในทางธรรมารมม์มันก็ต้องมีคําว่าจิตขึ้นมาด้วยเอาหมายก่อนจิตนะจิตจิตเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะไปรับรู้นั่นะรับรู้ทางตาเขาก็เรียกว่าการรับรู้ทางตานั่นะรับรู้ทั้งหูจมูกลิ้นกายและใจแต่ตรงนี้แหละคือมโน จิตไปทาหน้าที่รับรู้ทางใจรับรู้อะไรก็รับรู้ธรรมารมณ์นั่นแหละธรรมารมณ์เป็นยังไงความคิดก็เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งเดนะคือในความคิดที่เราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมีสามอย่างนีเกิดขึ้นพร้อมกันโหมันเป็นธรรมชาติที่ละเอียดละเอียดพอๆกันนะในใจเรามีตรงนี้หมดเลยมีทั้งจิตไปรับรู้ความคิดผ่านทางใจนะจิตไปรับรู้ธรรมารมณ์ผ่านทางมโนวิญ ญ, ญาณ จิตคือวิญญาณจิตคือวิญญาณนะไปรับรู้ธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คือความคิดนะผ่านทางมนโนวิญญาณมนโนวิญญาณคือใจไงถ้าเราแบ่งเป็น3ส่วนในะด้านซ้ายสุดต้นปาะวังคิดภาพตามในด้านซ้ายสุดเป็นจิตในะด้านซ้ายสุดเป็นจิตด้านขวาสุดเป็นความคิดนะความคิดนี้ก็ เป็นสิ่งที่ละเอียดละเอียดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเราจับต้องไม่ได้เป็นความคิดอาจจะเป็นคําพูดเป็นรูปภาพเป็นเรื่องที่คิดไม่คิดมีอยู่ในตรงนี้หมดเอ๊ะเราจะไปรับรู้ความคิดได้ไงก็ต้องจิตนี่แหละซ้ายสุดคือจิตขวาสุดคือความคิดอ้าวแล้วช่องทางที่จะไปรับรู้ก็กคือผ่านตรงกลางคือตรงใจนะมโนวิญ ญ, ญาณซ้ายสุดที่เรียก ว, ว่าจิตนั้นก็คือวิญญาณจะไปทําหน้าที่ในการรับรู้ขวาสุดที่เรียกว่าความคิดนั้นก็คือธรรมารมแตนะ่ช่องทางที่มันจะมาผูกอยู่ติดกันได้คือตรงกลาง หลักตรงนี้เขาเรียกว่ามโนวิญญาณเป็นมโนเอาดูใหม่ถ้าเราจะมาเปรียบเทียบกับเรื่องของหูเป็นต้นนะหูหูเป็นหลักนะหูอยู่ตรงกลางนะหูอยู่ตรงกลางนะขวาสุดเป็นเสียงซ้ายสุดก็เป็นโสตวิญญาณแก็คือจิตที่มารับรู้เสียงนะซ้ายสุดเป็นจิตนะขวาสุดเป็นเสียงตรงกลางเป็นหนะูจิตไปรับรู้เสียงนะซ้ายสุดไปรับรู้ขวาสุดผ่านตรงกลางคือตรงหูแล้วเวลาเรากินข้าวละ่ะ ถ้าเวลเรากินข้าวกินอาหารใดใดนะขวาสุดเป็นรสชาติของอาหารเป็นอาหารอี่ขวาสุดนะซ้ายสุดก็เป็นจิตเหมือนกันจิตอันเดิมนี่แหละนะช่องทานที่มันจะไปรับรู้รสก็ผ่านตรงกลางตรงกลางคืออะไรคือลิ้นเขาก็เรียกว่าวิญญาณต่างลิ้นหรือว่าชิวหาวิญญาณตรงกลางนะตรงนี้มันจะเป็นหลักท่านพระเนรเกียรีติเรียกว่ามีหลักหลักอยู่หลักหนึ่งหัว2ตัวมาผูกติดกันแต่หัว2ตัวกดเป็นคนละตัวกันเนืแทบถูกผูกอยู่ที่หลักเดียวกัน หลักที่พูดถึงนี้ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจะขวาสุดเป็นรูปเสียงกลิ่นรสผดทบัตตมารมนั่นก็คือวัวตัวหนึ่งซ้ายสุดก็คือจิตนั่นเองในอีกตัวหนึ่งเป็นวัวคนละตัวกันซ้ายสุดคือจิตมารับรู้ขวาสุดท่าทางตาแต่มันก็มีวิญ ญ, ญาณต่างๆเขาก็เลยว่าเป็นจักรสุวิญญาณถ้าใจทางซ้ายสุดจะมารับรู้สัมผัสทางกายคือเจ้าผดทบัตต่างๆก็ต้องมารับรู้ผ่านทางกายใช่ไหม สิ่งที่จะเข้าไปรับรู้ตอนนั้นก็เรียกว่าวิญญาณ่างกายนะกายยัวิญญาณนใะจก็เหมือนกันใจก็เหมือนกันอันนี้เพื่อเปรียบเทียบให้ท่านบวงได้เข้าใจว่ า, ามันมีอยู่3มส่วนอุปมาปไมยที่ท่านพระอนุนเปรียบเทียบไว้แต่ก็คือบัวบัว2ตัวในที่นี้ก็คือเป็นจิตของเราตัวหนึ่งในที่นี้ก็คือเป็นสิ่งที่มาจากภายนอกรวมถึงธรรมารมด้วยธรรมารมเป็นเรื่องภายนอกนะท่านบวช ฟ, ฟังให้ดีแล้วก็อีกบัวอีกตัวหนึ่ง แช่องทางที่มันจะมารับรู้คือผ่านทางหลักหลักเสาที่ผูกด้วยกันนั่คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจซึ่งวัว2ตัวถูกผูกอยู่ที่หลักเดียวกันแต่ถ้าวัวตัวหนึ่งสีดําวัวตัวหนึ่งสีขาวเราจะมาบอกว่าวัว2ตัวสีเทามันไม่ได้จิตกับความคิดที่ถูกผูกอยู่ที่หลักคือมโนมันไม่ใช่ตัวเดียวกันจิตไม่ใช่ความคิดความคิดไม่ใช่จิตเป็นคนละตัวกันเป็นคนละเรื่องกัน แต่ที่เราไปเห็นว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเพราะว่าอํานาจของตัณหาเพราะว่าอํานาจของอวิชชาตัณหามันทําให้มันเชื่อมกันะเป็นเครื่องเชื่อมอย่างดีเลยอะไรมันมาปุ๊บมันติดตึด๊บเป็นตัวมันหมดแล้วก็ถูกบังรอยต่อะด้วยเจ้าอาวิชชาไม่เห็นเลยมันเนียนเนยนเนนมากบางทีเรามีเสียงมีความคิดของเราขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าโอ้ยอย่าเลยนั่งสมาธิโอ้ยไม่ว่างเราทําไม่ได้ เหนื่อเมื่อยละโอ้เขาก็โกงกันความคิดนี้เราคิดว่าเป็นความคิดของเราแต่ว่ามันไม่ใช่หรอกตำรวจนะจิตไม่ใช่ความคิดนะจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติประภัสสอนอยู่แล้วแต่ว่ามันเศร้ามองด้วยกิเลส ท, ที่เป็นอาันรตุกตาจอนมาจอมาทางไหนบ้างก็จอนมาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเนี่ยเวลามันมาสัมผัสปุ๊บนะเกิดกิเลสึ้นได้แลนะกิเลสนั้นก็เกิดขึ้นมาครอบงาําจิตนะถูกทําให้จิตนั้นเศร้ามองไหนะความคิดที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้ แล้วก็คิดว่าโอ้นี่ฉันเป็นอย่างนี้ตัวฉันเป็นอย่างนี้จิตฉันเป็นอย่างนี้ฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันชอบวันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้แต่ว่าสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่ตัวกุหลอกแล้วมันเป็นคนละตัวกันบัวเลยสองตัวสีดําตัวสีขาวตัวผูกอยู่ที่หลักเดียวกันบอกว่าเป็นสีเทามันเข้าใจผิดเข้าใจผิดแตถ้าทําไมเราตึงเข้าใจผิดมันมานิยนเนียนมันมาเหมือนตัวเราเป๊ะนั่นเพราะอวิชชามันแปลงกายมาทําให้เราไม่รู้ วิชาแปลว่าความไม่รู้ธรรมะวั ง, งแต่ไม่เกิดอยู่ในเนี้ยเป็นธรรมชาติที่ละเอียดละเอียดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาจิตก็ไปรับรู้อารมณ์นั้นจิตเข้ามารับรู้ความคิดเดี๋ยวไปเรื่องใหม่คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างคิดว่าตรงนั้นเป็นจุดตัวฉั้นของชันชั้นเป็นอย่างนี้ชั้นคิดอย่างนี้ชันเป็นคนแบบนี้ก็เนี่ยแล้คือลักษณะของกับดักที่เราไปติดกับดักะคำดักเยอะมากธรรมะวั ง, างมานวางกับดักเอาไว้เยอะมากแต่ในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้แล้วก็มีอธรรม นะมีคนคิดค้นอาธรรมขึ้นมาอยู่ก่อนแล้วนะอาธรรมในมีอยู่มาตลอดนะอธรรมในที่นี้ข้าพเจ้าหมายถึงกับดักนั่นแหละกับดักที่เป็นเหยื่อของโลกกับดักที่จะพาเราไปให้ไม่ดีให้ตกต่ําแต่พระพุทธเจ้าจึงมาที่จะเปิดกับดักนี้ออกนกะลี้ออกให้เห็นชี้ทางออกให้ทราบแตนะ่ว่าทางออกเป็นทางนี้สิ่งที่เป็นธรรมารมณ์ก็ส่วนหนึ่งนะนั่นคือเจ้าพวกความคิดทั้งหลายแหละ แตนะ่ถ้าเราจะเจาะลึกลงไปความคิดที่เป็นคําพูดความคิดที่เป็นรูปภาพมันมีหลายอย่างสัพทที่พระพุทธเจ้าใช้ก็จะยากขึ้นมาอีกเอาว่ารวมเรียกว่าเป็นธรรมารมณส่วนที่เป็นใจนะเป็นช่องทางที่จิตนั้นจะไปรับรู้ธรรมารมณ์เหล่านั้นนั่นะจิตคือเป็นธรรมชาติประภัสสอนท่าฟังจิตของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติธรรมอย่างดีมีจิตเป็นคนประเสริฐจิตสูง หรือว่าจิตของฆาตกรหันศพที่อยู่ในเรือนจําหรือแม้แต่จิตของสัตว์นรกจิตของเทวดาอินพรอมต่างๆแล้วก็มีธรรมชาติประพัดสอนเหมือนกันเหมือนกันแต่ความเศร้าหมองมันต่างกันแต่ถ้าเศร้าหมองมากมันก็มืดมากก็ต่ํามากแล้วก็ลึกมากถ้าเศร้าหมองกลางกลางพอประมาณแล้ก็มนุษย์น่นแหละนะสุกบ้างทุกบ้างมีบางทีมึนๆไม่รู้อะไรเป็นอะไรแต่บางทีก็ฉลาดขึ้นมาบ้างขึ้นขึ้นลงลธรรมดาสุกบ้างทุกบ้าง ถ้าเศร้าหมองน้อยแต่ขึ้นไปอีกแต่สว่างมากขึ้นก็เทวดานะเขาก็นิยมปฏิบัติทรรกันถ้ามีสัมมาทิฏฐิแล้วนะการบรรลุธรรมได้ง่ายกว่าอันนี้คือลักษณะที่เป็นความแตกต่างกันระหว่างเรื่องของใจเรื่องของจิตแล้วก็เรื่องของความคิดนะแตกต่างกันคำว่าใจนั้นคือมโนคำว่าความคิดนั้นเป็นส่วนที่เรียกว่าธรรมารมณ์คำว่าจิตนั้นก็คือส่วนที่เรียกว่าผู้ที่เข้าไปรับรู้คือปัญญาณ พอนะเรามีความเข้าใจตรงนี้แล้วว่าจิตนั้นไม่ใช่ธรรมารมผู้ที่เข้าไปรูปร้ความคิดนะครับความคิดนั้นเป็นคนละตัวกันความคิดที่เกิดขึ้นในใจเราว่าเออทําไมฉันโกรธคนนี้ฉันคิดไม่ดีอย่างนั้นจะมีความคิดเรื่องนี้ทําไมฉันง่วงนอนทําไมฉันคึกคักขึ้นมาเนะนี่ยพวกเนี้ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่จิตไม่ใช่จิตถึงแม้จิตที่เข้าไปรับรู้ความคิดนั้น แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราอยู่ดีแต่เป็นสิ่งที่มาจากภายนอกคือธรรมารมเป็นภายนอกนั้นตั้งไว้ธรรมารมเป็นภายนอกแล้วอะไรเป็นภายในแต่สิ่งที่เป็นภายในก็คือจิตนั่นแหละจิตที่เข้าไปรับรู้สิ่งภายนอกนั้นว่าเป็นตัวมันแต่เช่นทําไมเราคิดว่าบ้านของเราทั้งๆที่บ้านนี้เป็นของภายนอกก็จิตนั่นแหละเข้าไปยึดถือบ้านว่าเป็นตัวมันเป็นของมันเป็นตัวตนของมันหรือว่าทําไมเราคิดว่าวิทีุเครื่องนี้โทรศัพท์เครื่องนี้นของฉันทั้งๆที่มันอยู่ภายนอก ก็ใช่สิเพราะว่าจิตมันเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นด้วยความยึดถือเป็นของมันธรรมารงมก็ไม่ต่างกันทำให้ฉันคิดว่าความคิดนี้ที่เป็นภายนอกนะความคิดเป็นภายนอกเป็นของฉันแต่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่เป็นละเอียดเหมือนใจแต่มันเลยเหมือนดูอยู่ภายในมันก็ปนๆกันอยู่ในนี้แต่เป็นคนละส่วนกันเพราะในเรื่องนี้ที่บอกว่าความคิดนะกับจิตกับใจคนละอันกันเนี่ยกลับมาที่คําถามของคุณแสงจันทร์เอ้บางทีเราก็คิดว่าเราอาจจะไม่ได้บุญนะ ทำไมเขาพูดไปอย่างนี้เขาพูดโน้มน้าวให้จิตใจเราคิดไปในทางนั้นพอเราคิดไปทางนั้นมันเป็นคนละเรื่องกันแต่ระวังนังความคิดกับจิตเป็นคนละอ่านกันยังไงจิตใจที่มีสติตั้งไว้มีสมาธิฟังธรรมปฏิบัติธรรมจิตใจนั้นมันได้บุญแน่นอนความคิดเขาอาจจะชักชวนเรามีเพื่อนไม่ดีก็าอาจจะพูดให้เราเห็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นอาจจะเป็นไปได้ความคิดกัจิตไม่ใช่ตัวเดียวกัน น, นี่ให้เข้าใจในลักษณะนี้ในกรณีคําตามของคุณแสงจันทร์ตรงนั้น คุเอาน้ำหวานมาแก้วหนึ่งนะ่ะจะบอกว่าในนี้มีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียวก็ไม่ใช่มันก็มีน้ําตาลป่นอยู่แต่น้ําตาลมันละลายไปในนี้แล้วอ่ะมันละเอียดเสมอกันแล้วนะ่ะเราชิมดูถึงจะรู้ว่ามันเป็นกนละสวนกันแต่ดูๆแลมันเหมือนกันเลยก็เช่นเดียวกันว่าให้ชาความคิดธรรมารมนะก็เป็นลักษณะที่มีธรรมชาติละเอียดกันนะ่ะเหมือนกับจิตนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนสิ่งภายนอก พูดง่ายๆคือตาหูจมูกลิ้นกายและธรรมารมบุคคลนี้นะธรรมารมบุคคลนี้เป็นสิ่งที่มีเหตุแล้วมันจึงเกิดขึ้นได้อย่างบ้านมันก็จะต้องมีคนสร้างใช่ไหมมันจึงเกิดขึ้นได้ความคิดนึกมันก็เป็นไปตามภาษาที่มากระทบนั่นเป็นของที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นนั่เกิดขึ้นลอยๆเกิดขึ้นโดดๆไม่ได้ต้องอาศัยกันและกันเกิดขึ้นลักษณะนี้คือความที่มันเป็นอนัตตานั่นคือจึงไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่เป็นปัจจัยปรุงแต่งมาจากสิ่งภายนอกบ้างภายในบ้างจิตก็เหมือนกันทะานผู้ฟัง จิตก็เป็นอนัตตาแล้วมันเกิดขึ้นมาได้ไงก็เพราะมันมีสิ่งภายนอกเหล่านี้แหละจิตมันถึงเกิดขึ้นมาได้มันถึงไปก้าวลงได้มันถึงไปยึดถือได้มันถึงไปยึดครองสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนได้จิตก็เป็นอนัตตาเพราะเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นของสิ่งที่มากระทบจากภายนอกทางหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองนะเป็นคนละสิ่งกันเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันอยู่พิงกันเนี่ยมันจึงเกิดเป็นหลักทางตา พิงกันมันจึงเกิดเป็นหลักทางใจพิงกันมันจึงเกิดเป็นหลักทางหูอะไรพิงอะไรก็จิตพิงกับรูปจิตพิงกับเสียงจิตพิงกับธรรมารมม์มันจึงเกิดเป็นหลักขึ้นเป็นเหมือนช่องว่างขึ้นตรงนี้แต่เป็นของที่ว่างเปล่าพระพุทธจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่นทานบอกว่าคนหนึ่งเนี่ยเขาหนีภัยอันตรายมาเข้าไปหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งแล้ว้ก็เจอภาชนะว่างเปล่ารูปคําภาชนะว่างปล่าชนิดนั้นอยู่แต่ความว่างเปล่าที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันไม่มีตัวตนและไม่ใช่ตัวเราของเรา เราพิจารณาดูให้ดีถ้าดูผิวเผยมันเนียนเนียนเหมือนเป็นเันเดียวกันหมดแล้วมันมาเนียนมากนี่ของของฉันโทรศัพท์ฉันซื้อมานี่จะไม่เป็นของฉันได้ไงมันเนียนไงมันเนียนเราดูให้ดีๆแยกแยะออกเห็นนละ้วใช้สมาธิใช้สติพวกนี้จะเปิดออกได้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าชี้ไว้ให้แล้วแล้วเราเปิดดูให้ดีนะคลี่ออกให้แจ่มชัดนะเอาแสงส่องเข้าไปแล้วเราจะเห็นมันเป็นองค์ประกอบแยกแยะกักนไปได้เราก็จะมีความแจ่มชัดในเรื่องนี้ ในเรื่องนี้ถ้ายังไม่ชัดเจนหรือไม่มีความที่ต้องการจะเข้าใจเพิ่มเติมในส่วนใดๆแตนะ่ถ้าผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อมาทางรายการได้แม่ครับพี่เจ้าก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคือพมบอกว่าจะแจกซีดีเนี่ยจดหมายมาเต็มพึกนไปในเวลาแค่24ชั่วโมงเวลาคนถามคําถามนี่มันกลับน้อยกว่าคนกอรับซีดีและอย่างไรก็ตามก็ดีทั้งนั้นก็ดีทั้งนั้นไม่ว่าจะกอรับซีดีหรือว่าจะเขียนส่งเป็นคําถามมาแต่โดยคําถามนะให้ส่งมาที่วัดป่าดอนไหนโศกได้ ถ้าเป็นซีดีขอรับซีดีให้ส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรุงเทพมหานครหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ฟังทางเว็บไซต์ได้เลยดาวน์โหลดได้เลยแต่ถามคบถามเดียเ๋ยวก็ไปที่เดียวกันที่เว็ e บไซต์ p u r e d h a m m a c o m ข้าพเจ้าพระมหาไพบูุอบ์อภิบุญโญเจริญอน